คือคนอีสานเนี่ยแหละคนอีสานก็จะเป็นคนโตแบบนี้ตัวในน้อยตัวในน้อยดำๆำกินเขาเหนียวสิทนความห่อนความอยางสุขภาพแข็งแรงพื้นที่จะเป็นโซสเกนนียนขุนว่าสัตว์ชนิดหนี่ควรนสียูแบบนี้แบบนี้คือกันกับพื้นที่ทั้งฝังอีสานเหมาะต่อการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่เหมาะวันนี้เหมาะมาตั้งแต่โลกดึกดำบรรเมื่อ ร้อยห้าสิบล้านปีที่แล้วเราเห็นว่าไดาโนเสาร์โบปอยู่ในเมืองกรุงเทพในจังหวั ด, น, วดนั้นจังหวัดนี่ทะลึกเข้าไปทั้งภาคกลางส่วนมากสิบพธิพ์ทั้งภาคอีสานแสดงว่าธรรมชาติอะไรเป็นตัวอรอหลอมให้สัตว์ประเภทนี้อยู่ในที่นี่ได้คือว่าม่นสัตว์ตัวน่อยอยู่อะสัตว์ตัวใหญ่กับยูเช่นเดียวกันเสาพวก ย, ยังอ ย, ย, อ ย, งอยู่สร้างมุ่งนี่ยยู แต่คนเขาอื่นว่าอาณาจักรล้านช้างไปทั้งนี่ทั้งสี่ัตนาคณหุดมาทั้งประเทศไทยแถวภาคอีสานมาเนี้ยสร้างหลา ย, ยนี่ก็ไปอยู่สุรินทร์นนคือมีแต่สัตว์ใหญ่ๆอยู่แต่ปัจจุบันนี่ก็้นอีสานอยู่บอมเนคนไหลจินฐานนะแต่เป็นคนมีศิลธรรมจรยิยธรรมวัฒนธรรมอารยธรรมดี คนอีสานอยู่เป็นกลุ่มเป็นก่อนเป็นคนจิตใจดีอืมาการสกุลนกข้อนมีเหาอมีผู้ไทยมีกระเริ่งล่ า, ลาก็มีอะไรนี่ยังมีจีนมีเวียดนามเขามาอยูน่นํากันวัฒนธรรมก็หลากหลายแตกต่างกันไปคนเวียดนามมาอยู่เมืองไทยอยู่สกุลนกข้อนหนึ่งหลา ย, ยอยู่นคร้อนพรมก็มีโเปเวียด น, นามมากินหมา มักรประทานเนื้อหมาอยู่ที่เวียดนามมาอยู่เมืองไทยก็เลยข้ะเจ้าก็กินแต่กินเป็นลําเป็นสันเอาจริงเอาจังก็ทําไม่ประเทศไทยมีมุม ม, ม, มุมหนึ่งมีจุดจุดหนึ่งที่มีสื่อเสียงจังอบาดพระเจ้านับถือคิดศาสนาอ่นนะนับถือคิดนับถือพระเยซูเป็นชาวพี่น้องชาวเวียดนามเชื้อชาสายเวียดนามอยู่ในประเทศไทยวัฒนธรรมข้าเจ้าก็มีแบบนั้น เอาไปเมื่อจย่อกะหาสื่อหมาสื่ออย่างส่งไปขายให้พี่น้องอยู่เวียดนามแถวสะกดออกขอนพนมเนี่ยส่งมาไปเวียดนามพอเวียดนามเกาหลีเขา่อกะมากินตัวเขาเจ้าเองเขามาตั้งทินฐานอยู่บ้านเท่าอยู่สะกดออกขอยู่นี่ยขจ้าก็กินห่าหากินอย่างของบ้านเท่าก็กินบ่กินได้ให้กินแบบขน่องป่ากสื่อๆเพราะเปนกินแบบ ก, แบบกินแบบธรรมศาสตร์ของเขากินแบบธรรมชาติเป็นธรรมชาติ แต่คนกรุงเทพตกใจตกใจคนกรุงเทพระมักกินหูหมากาะไก่คนกรุงเทพมักกินงบประมาณกินบ้านกินเมืองคนอีสานเป็นคนซื้อะฉะนั้นวันเวลาผ่านไปวัฒนธรรมมันก็บเปลี่ยนไปคนอีาสานก็สา่งวัฒนธรรมมาใหม่วันมาแต่ไหนเนี่ยมีมาแต่โน้นหลายพันปีทีแล้วจนมาถึงเมื่อนี้ คนอีสานมีความคิดมีปรชัชญามีภาษามีอักษรลราแต่ยังขึ้นจัวอักษรไทยเนี่จริงๆพ่อคุณรำําแหงเอามาจากไหนแน่เนี่เอามานําอักษรขอมแล้วพยายามแปลงเข้าไปเป็งอักษ ร, ท, ท, ท, ท, รทําอักษรโตทำโตขอมไปเถอเอามาจากหันวะหราะบ่แมนหัวคิดตีเนีอักษรคํามบอกสาวขอมนี่กะบ่ทันรู้ว่ากับอักษรไทยน้อยเนี่ยผู้ใดเกิดก่อน แต่คณะของเบญองก็บเบญือนเนาะก็ได้ย่องเจ้าของเนะ่ะที่จริงคนอีสานข้นเหล้านะเชื้อชาติลาวเป็นหนองเล้าร่วมทั้งพวกมงพวกเมื่อนี่แหละอยู่ในพื้นลาบพวเนี่ยขันงมงพวกจะไปคู่เขาในกระเลียงสิกรเาจาะกระยับขึ้นไปขั้นขึ้นสูงไปพวกม ง, พว ก, มงพวกกะเลียงเมื่อทกลายเป็นจีนพวกจีนห่อจีนเมืนน่อหนีตายลง้ไหตอนเขาปฏิวัติกระเจาะเขาไปอยู่ตามใส้แดนตามลงมาเนี่ย เป็นพวกกระเลียงพวกอย่างนี้วัฒนธรรมศาสนาก็มีเรื่องโครงการนี่แล้วเหตุบุญเหตุท่นานเพราะว่าศาสนาพุตเกี่ยวของกับพเจาพ้าประสงค์กับก็มีวัฒนธรรมแบบนี้เขามีความหักเนาะความรักเรามีความชังเรามีเรามีความรักความชังอยู่กับพ่อกั บ, กบแม่กับพี่กับน้องกับคนที่อยู่ในโลกนี้รวมทั้งคนที่ญาติติโกโหติกาที่ตายไปแล้วเขาต้องมีวัฒนธรรมที่เสดปฏิบัติต่อเขา ตามระบบความเชื่อความเชื่อความเชื่อความศรัทธาเรามีความเชื่อว่าตายแล้ววิญญาณไม่ได้ไปไหนเชื่อว่าตายแล้วไปเกิดเปนั้นเชื่อแล้วไปเกิดไปนี้หรือคนที่ยังไม่เกิดก็มีเนี่ยตายแล้วเป็ น, เ ป, นเป็นผีแนะ่วิญญาณบ่มี่บุญมีท่านยู่ตามไห้ตามธงตามถาตามดอนผีตาแหี่ผีบังบดผีแทนผีอย่างนี้ เ ม, มีความเสือ่อ่ปสั่นปีปูปิปยาพีเสือ้อผีแนวอย่างแล้วผีปอบนี่ความเสื่อไปสั่นทีนี้พุทธศาสนาเข้ามาเราก็แปลความหมายตีความรู้พระธรรมคมสอนในหลักพุทธศาสนาบว่าเอาพุทธศาสนามาเสริมความเชื่อว่าคนที่ตายแล้วเกิด ตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่เกิดไม่ศูนย์พวกผีพวกเปรตอะไรนี่มีสภาพความเป็นอยู่ยังไงอืมทําไมมันมีหรือไม่มีกันแน่ศาสนาพุทธอธิบายว่าอย่างไงเรื่องนี้มาเสริมความรูกเก้เก่าๆความเชื่อเก่าๆวันนี้มันก็จะออกมาเป็นประเพณีวัฒนธรรมการทำบุญทาทานนะเนี่ยก็บอกว่าคนที่มีกิเลสอยู่เอา้าตายแล้วเกิดผู้กิเลสนะปัญญาอยากตายแล้ว ไม่ได้ไปขึ้นสวรรค์ไม่ได้ไปนิพพานก็คือยังอยู่ในยังเสวยภพชาติเป็นเปรต อ, อสุรกายดิศฉานเนี่ยอยู่ในภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งทุกขติวินิบาตจนกระทั่งมากลายเป็นว่ามีสวรรค์ น, นรกปรากฏกขึ้นนรกนรกเป็นห้อนเป็นกระทะท่องแดงเป็นหมอที่หนึ่งสองสามีหเป็นบาปเป็นกรรม ทำให้เรายึดหลงออกไม่ได้ติดอยู่ในนรกนานนรกกลุ่มที่หนึ่งทำบาป น, านั่นเป็นอันนี้ทําบาปนนี้เป็นนั่นตามแนวของศีลห้าจะมีนรกคนไปทําอันนี้อันนี้คน้นขาดซัด์คนมาขาดซัดตั้งชีวิตเพลินว่าปัจจุบันนี้ก็เลยเกิดมาบาปกรรมตามสนองอยู่ในสภาพของข่วมเป็นคนผู้มีโรคมากคนโรคหลาย ที่ปัจจุบันนี่เป็นโลกนั้นโลกนี้เพราะว่าในอดีตนี่ขาสัตว์ัดชีวิตหลายคนอยากจนคุมือนี่เพราะว่าอดีตมีิตรลักษณ์สัพสมบัติของผู้อื่นเป็นหลักเล็กขโมยหน่อยคู่มือนี่พวกเกิดมาแทนี่เป็นกระเทยเป็นเนิ่นเป็นอีเพราะว่าชีวิติพานมาติกรรมมรขคหลายศาสตร์อิพานมากผู้ใดเคยทางติดกรรมติด มกมุนในกามวันพระวันศียนวันศีินบละวันพาบุไรโมูจักเวนงดกามะคิดทั้งหลายศาสนาเขาอ่านว่าเป็นกระเทยนะก็มาอยู่ศาสตร์นี้กันเน่ะเป็นกระเทยเนี่ยนั่นเท่าก็เข้าใจว่าไปไล่เบิงลูกเขาบักนั้นบักนี่ออกมาเฮ้ยบักนี้เป็นกระเทยกูบอกักได้พอเมรมันโมเมีนมันปฏิบัติกิจวันพระีท่ันปฏิบัติกิจวันพระ ตามดวงสตาร่าเสียงจะออกมาจะเป็นกระเทยเด้ะจิตปฏิสนธิวันแบบนั้นน่ะจะสร้างปัญหาหรือไม่ก็เป็นคนลาคะกา้าเจ้าสู้ปัญหาหลากหลายคนโกโหกหมกเพ็ดเกิดมาจะนี่บ่ได้รับความย่อมรับจากผู้อื่นเขาบ่กเขารลบนับถือวัทถามักตัวมักมก้มเทไหร่ืีผู้นั้นต้มผู้นี้ต้อ ม, นนตอมอยู่เรื่อยได้ผัวกระทลบตะแลงอย่นได้เมียก็คือกันเป็นผู้ที่ กินเหล่าเม้ายามาขาดสติเจ้าของเกิดมาจะหนี่เป็นคนโง่โง่บุาสามารัจะจรูท่ามเห็นท่ามรูแจงแ้งเห็นจริงไลยมิตรความหลงหลงเพราะว่าบอภาวน่าบอถือศีลบอภาวน่าเมื่อบอภาวน่าเกิดมาจะหนี่อวิชชาไหลส่วนจังใดปฏิบัติ ท, ท่าบอนี่ฝึกจิตบอบำเพ็ญบาลามีบอศาสนาสิได้เป็นจะสัน่นเอาความมีความเสื่อเสือพอพ อ, พ อ, ม, พอมีความ อืหวังคว่ำคืเข้า ม, มาอย่างแกเป็นคว่ำหลงท่านสิ้นแล่านี้ก็ค่อยๆคืบขัานเขึ้นมาในจิตใจสร้างเป็นวัฒนธรรมอืของคนที่นับถือพุทธศาสนาแบบแบบชาวบ้านอืชาวบ้านแบบวัฒนธรรมแบบประเพณีคนตายแล้วเดี๋ยวไปเกิดเป็นอันนั้นเกิดเป็นอันนี้ได้ขึ้นสวรรค์สัน น, น, นันทร์สันนิทําบุญทําท่านแบบโน้นแบบนี้หรือคนบอ่อทํบุญทําท่านเป็นบาปเป็นกรรมผิดศรรีลผิดธรมธรมเลยก็ตกนรกเป็นแบบนั้บนี้ ก็เริ่มมีอานิสง์อืมเพื่อมีค้าสอนผู้พุทธเจ้าผ่้เดินว่าอืมชาดกเอิ่นว่านีท่านประกอบค้าสอนขึ้นมาหลากหลายจนกระทั่งว่าสืบทอดมาหอมกุ้ ม, มือนี่เหาแม้แต่เรื่องบุญเดือนเก่าก็มีประเภทนี้วิวัฒนาธรรมมาว่าเป็นอยัางจะเหตุบุญเดือนเก่าเป็นอยังจะเขาทำบุญทำท่านเดือนเก่าอมเหตุส่วนหนึ่งเหตุให้เจ้าของทายาโกปิอนิพโล ทำบุญให้เจ้าของอืเตรียมสเสบียงไว้ให้เจ้าของคือหาเงินนี่แหละเตรียมเงินไว้ใส่กระเป๋าไว้ใส่ธนาคารไว้ยม่ยมเถาย่ำแก้ว่าโอ้ได้ใส่สอยมีดอกมีดพ้นชีวิตคุ้นกับคือกันเนะี่ยต้องหาไว้เตรียมไว้ใส่เจ้าของหาบุญหาท่านเตรียมไว้เพราะว่าคนบรสามารถตัดสินที่วิจจบของได้ว่าตายเราเกิดหรือว่าเกิดนะอืม พุทธศาสนาในระดับพิเศษสังสารวัตรเข้าบริเกิดปัญญาลู่แจงเห็นจริงแล้วก็บคสามารถบังคับจิตใจเขาได้วาสิบทุตรเ้ามีข่มคืดข่บางว่าตายแล้วไปใส่ของพุทธนูจักสัตว์เก่าที่มันเกิดเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้อีดีบอเป็นหย่อนอย่างนู่ เ, เขากบ่กเข้าใจบางทีเขาก็คืดเอาแต่ว่าเขาบรแจงเอาตายแล้วสิไปใส่สนู่สัตนี่เอาบเิเหตุวุณีท่านสิไหวบ่นสินะอันนึงก็เป็นระบบมาตรการของสังคม ก็ เ, ออเขาเหตุกับไปเหตุน้าเขาสินะฮะจนมาหอดมือนี่วิถีชีวิตเท่ากันําเนินไปตามพุทธศาสนาแบบระบบวัฒนธรรมประเภทนี้เดือนหนึ่งเดือนอายเดือนยี่เดือนสามบุญเขา่าจีเดือนสี่บุญเดือนหาบุญสงการเดือนหกบุญพวิตเดือนเจ็ดบุญสัมภะบุญเจเขา่า บุญเดือนเก่าบุญเขาประดับดินเ น, นี่ยดือนสิบเอ็ดบุญสิบเอ็ดเดือนเดือนอย่างบุญสลากกระพัดเดือนสิบเ็ดเนียเฮ็ดบุญสลากกระพัดลองมือได้ไม่ออกเด้องุ่ น, น้าเนี่นะเฮ็ดบุญสลากทุ่งเจ้าจีเฮ็ดเป็นบัวนอเฮ็ดบุญสลากคือหมายก็ว่าเฮ็ดตามสลากตามสลากสลากก็คือเอาได้ข้าวต้มมาอันนึ่งก็ถือมาอันนึงละอ่าเขาก็มาพระมีเจะกง มีอยู่สิบองค์มีอยู่สิบองนี่ก็เฮต์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่หัวเบอร์สิมากกับจับสลากถ้าถึกเบอร์สิบก็ไปถวายเบอร์สิบอัิอจจมีได้ผู้ใดเฮ็ดบุญหลายบารมีหลายเฮ็ดบุญสมกันไว้ไปจกสลากถึกแต่เบอร์สิบมดวัดกับมืออืๆๆ่นกับจุโลอยู่แล้วเขาเอื่นว่าบุญสลากคือเฮต์ให้พระโดยมีความรู้สึกว่าจิตใจเพื่นพอนบ่ได้เฮต์บุญเฮตดท่านมานี่ อืมมีบุญสมกันเดอ้อเมื่อนี่ก็อดละวไดสันละทั้งจลุลโเบิงมูเบงพวกเขาสันหรือมีสองแบบวิธีหนึ่งเน่ยเขาเอื่นเขาเอื่นว่าบุญเขาสากสากเอื่นไววที่จริงบุญสลากบุญเขาสลากสลากกพัดพัดตาหารที่ถามถวายตามสลากบางทีให้พระจกโยมนะโยมก็มีของโย ม, มแม่ละก็พระไปจกถือเบอรอนี่บ่้อยพระจกเบิงก็ได้ก็ได้ โบได้ก็บรได้เลยพระง่วนนาผู้ใดมาถวายบริตัดตั้งพระเขาได้บ่ไหนเสี้ยงเป็นเสี้ยงตายพระง่วนนา น, านี่ทีถวายสลากเอาใส่ถูกมากเด้อใส่ปนใส่เจ้าหรือใส่แบบมีก็ได้เพราเป็นอย่างไหนได้เท่าไรมาก็ถือมาไหวได้ละมาจับสลากเอาไหวโบลงปูเห็นใจย่อมเขาสื่อเลขเขาลองสื่อมึงดูเป็นแบบใดจังเอินว่าบุญสลากสลา ก, ลากพัตนาหารนะ เวลาถวายนีคือกันเมื่อนี้เขาเอื่นถวายอย่างถวายเข่าประดับดินเาเท็ดบุญให้เปรตให้ญาติเท่าเปรตนี่หมายเขาเปรตตชนเปรตตชนเนี่ยคือบวชไหว้ว่าผีเปรตวันน้อันนี้หมายเขาว่าเปตชนก็คืออญาติที่เพิ่งเสียชีวิตไปครับใครจะเอาบุญเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเนาะเงี่ยวเขาวัดเขาว่าเนี่ยใครจะเอาไปแต่ไปแล้วชิตวิญญาณเป็นเป็นเทวดาเลยเนาะเสียเขาให้หน้ํามันเขาจะกินแต่เพื่นว่าบุญเดือนเก่าเดือนสิบ เดือนสิบเอ็ดเนี่ขอบรันษาเนี่ยเขาจะบอยเป็ดลงมากินถ้ำบนญําท่านน้าก็เรียว่ามาเห็ดเนี่ยมขอบรรนษาเดือนเก่าเขาประดับดินเป็ ด, ดหลายตัวเขาวัดเขาว่าบ่ใดเขาจะขยายไว้ตามทั้งหมดละท่าน้องส่วนมากเป็ดเนี่ยขั้นเห็ุบาปหลายสิบาปเขาก็มีดอกหนึ่งสองสามสี่หาคสามารถที่เขาวัดพื้นที่วัดได้แต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือต้องให้มันกินเข่าตอนที่ดวงอาทิตย์พอท่านขึ้นนั่นเขาจะชุดตะเกียงไปแล้วเขาจะไปว่างไว้ ว่างเขาไว้ตามหัวใต้นะตามบันไดน่ะโบราณก็นวัวพมาณเออตามหัวตำยังนะ่ะตามถาดตามำยังขั้นสายแล้วกินวัวได้แค่ขั้นแสงถึกมันอยู่วัวได้เป็ดนี่อืต้องหายใจเศ้าๆเนี่ยมันเศร้ามาเขาเฮ็ดไวห้หายรดแล้วส่วนว่าเขาจะมาถากินอยู่วัดมาถากินอยูเฮื่อนขั้นว่าเฮ็ดยู่เฮื่อนก็เอื่นมา่กินแค่อีพอเน่ยมันบม่มาอยู่เฮื่อนส่นมากสิาอยู่วัดเขาคิดว่าพนันพุ่นี่ยู่วัดเขาจังว่าอยู่เป็ดบางตัวมาถาแล้ว พี่น่องกับบ่มาให้ไว้กูก็เห็ดอยู่เห็ดกินนํามึงอยู่นาะสมัยกูบ่ท่านตายก็ได้กูก็หายอันนั้นคือเมื่อเราดกนี่ก็ย้อนกูอันนี้กูหายอันนั้นนี่บัดห้อนั้นกูลงมาเลยบ่มีจะมูจะไปเห่ากินน้าเขากระบาดได้ไปสูนเขาเลยมันห่อนก็มาหลดว่ะนะกินอะไรเราจุโลอยู่ก็มีอย่างเดียวก็คือกลับไปกัเห็ดให้มันเจ็บมันไขมันป่วยตายเร็วขึ้นก็เก่าเสีแล้วเพราะมันบ่เห็ดบุญเห็ดท่านบุญว่าเพื่อนเขียนอันนี้สงไว้ัิน อันนี้ก็มาเฮ็ดบุญกับเฮ็ดบุญเขาประดับดินก็ว่างไว้น้าดินน้ำหยางน้ำทั้งนอกวัดให้เขาเจริญสันได้กินมันกินแล้วก็ไปดอกแต่ใเฮ็ดแต่เศ้าดอกไข่แมาแต่เศร้าพระองเจ้าว่าเขาหลอกไข่คนมาวัดแต่เศร้ากุนพจ้าบาอกว่าถ้าใครเจ้าว่าไข่แมาแต่เศร้ า, า, าแต่เศร้าแต่แสงอาทิตย์พ่ะท่านขื น, น่นนี้เอ า, า ว, ว่างไว้เขาเอาเข่ า, ขาห่อหน้อยตัวนั้นอันนี้เข่าหอ้อยยิ่งเข่าห้อยหิ่งเนี่ยว่าถาวายาพระมาจัดถาวายพระสงค์คือเฮ็ดสองแบบ น, นนะน้ะเอา ม้วนั่นกับผ่านพระสงค์นี่แหละวะ่าเยสถวายภูมีศีลมีถ้ำนี่แหละท่งไปให้ยสั่นกเก่าไว้เท่านั้นเปรดบางตัวมันก็บเงาน อ, นอนมันมาซา mm hmm. ตินว่าท่านเขาเก็บก่รรมาเดือ ก, ก็ได้หมูหมากินเมื่อแล้วน้ำท่างมั น, นี้เขาก็มาห้ยเอาข้างไหวตะมวดทางใต้เนาะเ อ, อื่นไปสั่นขั้นสายแล้วลงไปหายดีไม่ยังมีผลได้ปะนี่ไม่อย่างมีผลอยางจบแล้วนะแต่เปรดตัวใดที่เคยทำบุญทำท่านเฮหันเฮนี่อยู่มันสุ้มั้นสิเขามาวัดใด แต่สุมที่เฮ็ดบาเพชรกัมบบนั่นแนหะทีเขาวัดบ่ได้ตายแลย้วก็ได้ที่อยู่แต่ข้างนอกแล้วอยู่แถวนั้นแหละคนชื่ออืน่นถุสนานโสทุสนานโสอืน่นอื่นไปไหนมันมีภาษาของเปดตอื่นได้ยินบ่ยยัก็เคลื่อนมาได้ยนินมันว่ามีหูทิพเป็นเส้นแล้วพระเจ้าพระเจ้าพี่วิสารเพิ่งยังได้ยินเปดรตคนท่านเขาก็มาทําบุญ น, นาท่านตามความเสือ่ออันหนึ่งอันหนึ่งก็มาได้ยินเด้ฟังพระสงค์เขาเจ้าเป็น เรมื่อเสาร์หนูคุณบอกอูดเทียดดีเนาะมันเทียดตัเราฟังบังเป็นบันลุงปูหัดแมนพไปนะพูดบ่บ่ฟังนี่ก็ได้เป็นไว่าสียพระเพิ่นบ่ไหวฟังเพิ่นปณิเนะก็อโยมมาเนาะท่านกะบ่ม like ีอย่างเทาเฮ็ดบุญเดือนเก่าเฮ็ดคุณเข่าประดับดินเบิ่นเดินซิบเฮ็ดเข่าสลากย้ายไว้เพื่อเปิดเพื่อนั่นเพื่อนี่เนะสินะเดือนเก่าบุญเดือนซิบกอกันกะ ไว้ขึ้กันละ่ะแต่ว่าไมาส่สิถวายเป็นวัดเท่าวัดพระหลายแน่เมซี่ในคนว่าปฏิบัติถ้ำแน่จกสลักเอาเมด็ดเสียก็เขาก็โจุโลอ ย, ยูนโนโน่กับประเด็นเนาะก็นได้ว่าเอางวดนาเด้องวดนางวดน า, า, นาอ่าบางคน <S <S 2> <S 2> <อ>ที่บ่เลี้ยวใจว่าลุงตานับเบิงพระในวัดมิจกองนี่ดิสันคือเสียวม า, าตามนั่นแหละว่ะถวายทุกองค์ละจะสิกได้ใจบอก มันจเาหาอกับฮิววิโตมากก็ได้สั่นนึงก็ได้ถุงนึงใส่ถุงกอบแก็บมาถวยนึ่งกไ็งกกงกได้มาดจกสลากอืหรือว่าได้หมากล่างศา ส, สรริสีมากอะไ่โจกสลากได้สัญญยันอ้ญญามวายันโบได้เอามาไหา้เพิ่นองละนุ่ยละน่วยไปโลดก็ได้นะอืมแต่ว่าส่วนมากก็จะเห็ดแบบบุญสลากเนาะสมัยยัยหมานอยู่ภาคเราเห็ดบางคนมาธรรมดาได้เอาแบ่งพันเกาวๆใส่น้าก็มีวางข้นก็ได้กอบกาวน้า บันนี้ก็ห้พอดเนี่ยก็พูดแล้วไปกุฏิเพื่นพูดแล้วเพื่นพูได้ออกมาไหมไฮยมไปเห็นว่าเพื่นอยู่จังไหนแบบไหนไปถวายพระกุฏิเพื่อนเพื่อนเทศเพื่นสอนอยู่เพื่อนไปหาน้ำพระนะไปอยู่น้ำพระองค์นั้นก็อยู่พื่อนพี่ก็สิ้มจักะพระดก็จิได้ทำสะอาดกุฏิไว้เลยได้บุญใหญ่ยมไปเห็นนะนี่ขี้ไล่เพื่อนเสด็จไว้ต้อนรับไปเบิงวาพระเขายู่แบบไดนนอนแบบไหจิ้นแบบไหมันถือจกถือเบอร์หาพเบอร์หาไปหาเอาได้ยูตะปาว่ได้จักองอยู่ใส่ละนี่น ยังลบู้สังก็มีแตรยาต้มหนึ่งจะเก็บสะอาดแล้วไม่บอกหากไม่หา ก, กไรพือนันขันมาหาคนกะคือว่าละหาคนมือ น, นั้นกะหาข้นคือหาขนละจกสลากก็แล้วแกองค์ที่บดได้ก็บดได้ละนี่อย่างอื่นว่าบุญสลากไปฮับซีนฮับพอดนําเพลินบุ่ น, น, นมือ น, นันบดได้มารับน้ําลงตาเฮ็ดแล้วให้พอดแล้วซันแล้วก็เมื่อโลดแล้วถือเมื่อโหลดแล้วโอ้ไม่ยัง้งมันออกไปขันอยากได้เลขได้ยังกะเอานําเพลินพุ่นมือ น, นั้นละ เขาว่ามากก็ได้แต่ถือองค์ขังกับขังละองค์บกขังกับอยากแน่อยู่ล่ะบันิภะก็สิมีได้สันหน่อยสลักสิงเงาหนอดได้กำเว้นหมดเลยก็ได้ว่าเขาไปทรงเต็มทีได้สิมีผลหลายแน่เอาเรียนรูเอาโบตรงวงได้เว่าเสีเอาครับเขานี่เอามักทั่วหมักแจงยังถือมาโลดมาถอยไปถือมาแล้วก็จับสลากไปเพิ่นอยากอไว้คั้วกระสร้างหลังจากขันกระได้เพราะเสียเพิ่นสันเท่านั้นก็ได้โหลดซองอันนึงก็ได้เอาโหลดซองมาสองสามตัวนี่ก็แบ่งกันพูละตัวสองตัว ถวายเพลินเขาปุ้นมากหัวนึงสิสี่ปันพุลเส็นและเส็นได้ยุ่งว่าเป็นปัญหาอย่างปึกเก่าแล้วมักม่วงหมักอื้หมักแดงหมักมันมักหมักโม่จังสีองค์นึงเอากาบมันองค์หนึ่งเอาแดงแดงมันก็แล้วแจยุ้ยถวายเพลินเร่าใจเพื่อที่ยกสลากถืกต้องเขาก็ว่าว่าองค์นี้ใส่บมีบุญได้ถือกาบป่นนี่ไหมเก็ตเอาวันทีสิบหานาเด้อสิบานี้ก็คือว่าขึ้เสียดบุญกุศลดอกอัลมวยอวยพรเจริญญาญโยม ให้ญาติพี่น้องนะพัดวันนี้เป็นพัดเพื่อมัตะกะเพื่อผู้ที่ตายผู้ที่ล่วงรับไปแล้วจนได้รับผลเด้จงมันได้มารับอนิสงผลบุญญาิโยมเหตดให้จงญาญโยมจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเล่นโดยอายุวันน่ะสุขภัณฑะสุขภาพเงินใส่โบมีก่รกระซังแต่ให้ยเจ็บยจ็าไขม การักษาสุขภาพการกินการอยู่การใช้ชีวิตอย่าให้มีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึน้นในใจให้จิตใจจําใสมันยืนมันยืนเดินโมตนา